อาจารย์ครับนมัสกา่ครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปใส่บาทได้เยอะไหมครับก็สี่ร้อยสามคนโอ้ก็อยู่ในระดับนี้ประมาณสี่ร้อยครับทางบ้านอยู่ประมาณสองร้อยคนก็หกร้อยกว่า ครับผมคุมมากเลยนะครับอีเดียวกับน้องว่าคนกับอาจารย์ตอนที่คุณหมอจะเข้ารายการครับผมเข้าประเด็นของรายการที่คุณหมอบอกจัดมาตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งนี้ครับอยากจะทราบที่มาที่ไปของการจัดรายการนัอันนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อครับอาจารย์ครับก็ตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงของโควิดครับพระอาจารย์ สามสามปีที่แล้วครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมจัดรายการสุขภาพแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราก็ช่วยผ่อนคลายผ่อนให้คนเนี่ยสบายใจไปได้ระดับหนึ่งแต่ความรู้สึกก็คือว่าคนเราก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมเองไม่สามารถที่จะไปแนะนำหรือสั่งหรือสอนใครได้ครับอาจารย์ก็เลยผมเองได้ไปพบอาจารย์หลายครั้งตั้งแต่สักแปดเก้าปีก่อนนะครับแล้วก็ได้ไป ไปอยู่เรื่อยๆได้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วทุกครั้งก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากตอนนั้นก็เลยคิดถึงพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าพระอาจารย์จะมาเอาให้ความรู้ให้ธรรมะในช่องของผมครับพระอาจารย์ครับอืมก็เลยเกิดขึ้นรายการนี้ขึ้นมาใช่ครับ<ม>จริงๆตอนนั้นก็กะว่าเป็นอีพิโซดเดียวแต่ปรากฏว่าได้คุยได้คุยกับพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากกับคนอื่นจริงๆครับพระอาจารย์อ<ม>ืก็เลยเลย เลยกราบขอความเมตตาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็เมตตามาตอบทุกครั้งครับรอาจารย์ครับอืมก็ไม่คิดว่าจะติดตามมาได้ถึงตอนนี้นะยังยังจําได้พระอาจารย์บอกว่าทําไปได้เรื่อยๆจนเบื่อไปข้างหนึ่งครับผมก็มีความพอใจอยู่แล้วผมไม่มีทางเบื่ อ, อพระอาจารย์ก็ไปเรื่องธรรมจัดรสันไปถ้าไม่มีคนดูว่าคงจะต้องจบรายการนี้ถ <c oughs> ้มีคนดูอยู่ว่า ตัดต่อไปครับอาจารย์ครับตอนนี้คนดูพันกว่าคนนะครับอาจารย์ครับอืมถึงก็พันกว่าคนนะครับเรายการสดที่เราทํามานี่มีรายการนี้ที่มีคนติดตามมากที่สุดครับราการเทศที่น่ากุติเ อ, อิบวันรวมนับถ้วดก็ประมาณพันเศษๆด้วยความต่ำไปหน่อยส่วนซูมซูมซูมภาษาไทยก็แค่ร้อยกว่าคนครับซูมภาษาอังกฤษก็ไม่ถึงร้อยมังรู้สึก กาวเรียนพอาจาย์คนมากคนมากกล่าวเรียนพระอ า, า, าจารย์ตอนนั้นที่คิดไปกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นี่คิดแล้วคิดอีกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นคิดตัวไม่มีเสียครับมีแต่ได้กั็เสมอตัวตอนนั้นในใจผมคิดอย่างนี้คือถ้าพระอาจารย์เมตตามาก็ก็คือได้ประโยชน์<ม>ทุกคนแต่ถ้าพระอาจารย์บอกว่าไม่สะดวกก็ผมก็รู้สึกไม่เสียหายอะไร<ม>ก็เลยกล้าไปกราบขอความเมตตาพรอาจารย์ครับ ก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีจากแบบนี้เพราะมันไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าต้องนิมนไปสตูดิโอแล้วไปอะไรนี้คงจะไปเนหน่อยถ้าให้จัดอย่างนี้อยู่ในกุฏิสามารถจัดไดก้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงจะนั่งคุยกันไปเท่านั้นเองก็ดีที่ทุกอย่างลงตัวดี อาจารย์ครับครั้งก่อนที่พระอาจารย์ถามไว้ว่าหนึ่งวันนี้มีคําถามประมาณกี่คําถามครับปรากฏว่ามีเรื่องของพี่หลาจดไว้นะครับเขาบอกมาว่าครั้งที่แล้วนี่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าคำถามนะครับะอาจารย์โอ้ยมากเนี่ภายในช่วงกึง่งใช่ครั บ, าารรบไม่คิดว่าจะอาตอบได้มากขนาดนั้นเนะ <laughs> ยอะมากเลยครับพระอาจารย์ครับได้หนังสือออกมาโอ้โหนังสือออกมาหก หเล่มแล้วครับพระอาจารย์ครับโน้นนั้นภาวนาธรรเนี่นะใช่ครับนะอาจารย์ครับอืออาจารย์ครับวันนี้หัวข้อสําคัญเลยครับก็เห็นผมเห็นหลายท่านถามเรื่องจะบรรลุธรรมหลายครั้งครับอาจารย์ก็ได้ฟังพระอาจารย์มาก็รู้ว่าสติเหมือนกันปัญญาต่างกันอ่าก็เลยอยากกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่อง ลำดับขันน้นของการบรรลุ ธ, ธรรมจะบรรลุแต่ละขั้นได้อย่างไรครับอาจารย์ครับกับมาความนี้ไปครับผมการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีอยู่สามขั้นหนึ่งขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแล้วแต่ละขั้นก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดที่สนับสนุนขั้นที่สูงขึ้นไปเช่นศีลนี่ก็สนับสนุนให้การปฏิบัติสมาธินี้ได้ผลดี แล้วการมีสมาธิก็จะทำให้การปฏิบัติปัญญาได้ผลดีการที่มีปัญญาก็จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุมารคผลที่ผ่านตามลำดับต่อไปดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อมาจากไต้ย่อมาจากมรรคแปนี่ศีลก็คือสมมารกรรมโต การกระทำที่ชอบสัมมาวาจาการพูดที่ชอบสัมมาชีวะอาชีพที่ชอบก็คือศีลสมาธิก็คือสัมม า, มาวายาโมวความเพียรเพียนเพียนเพียอะไรเพียนจารันสติให้เป็นสัมมาสติพอได้สติก็จะได้เพียนนะเพีนให้เป็นสมาธิึ้นมาให้เป็นอัปปนาสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาในจิต เาจิตต้องเป็นต้องมีจิตที่แน่งที่เฉยได้ที่จะสามารถเอาไปใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัหาความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้บอกให้รู้ว่านี่คือความอยากนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจพอปัญญาเห็นว่าเป็นต้นเหตุของทุกข์ใจจิตที่มีสมาธิมีเบิกขาก็สามารถฝืนความอยากได้ เกความอยากได้พราะความอยากได้มันก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ทีนี้การบรรษย์ทําขั้นต่างๆนี้มันมีปัญญาที่ต่าตงกันไปแต่ละขั้นเพราะมันมีโจทย์ได้เหมือนกันแต่ผู้ที่อยากขึ้นถึงขั้นปัญญาที่ได้ต้องผ่านขั้นศีลขั้นสมาธิอย่างนั้นเขาจะสามารถาารถักษาศีลแต่เพราะการจะไปบำเป็นสตินั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้สงบนี่มัน ต้องไม่ไม่ไปเสพกามถ้าไม่ถือศีลแปดนิสัยศีลห้ามันก็ไม่สามารถนับกามะชันทะที่เป็นอุปสรรคเป็ น, นอุปสรรในการที่จะทำจิตใจให้สมองได้พอจะนั่งสมาธิก็อยากจะดื่มบอลก็อยากจะดื่มกาแฟอยากจะทำอะไรตา่างๆก็การจะนั่สมาธิการปฏิบัติธรรมก็จะล้มเหลวเพราะถูกกามะชันทะดึงจิตไป ควาชอบความอยากในการเสมรูปเสียงกลิ่นรสจึงตองมาถือศิ่นแปดสิส่นแปดนี่เป็นเน่ฆัมะฆัมมะเน่ฆัมมะก็คือการละวมหยุดการหาความสุขจากการเสมรูปเสียงกลิ่นรสเนีการเสมความก็เพิ่มเพิ่มจากศี่นห้าข้อมาเป็นอีกสามข้อแปดข้อแม่้เอาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้แต่รับประทานให้ันเป็นเวลามีขอบมีเต มีประมาณแล้วก็ไม่ได้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกินลดเงนรูปแบบของห่อรถสมบัติเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการลกกลลกบบหาลับนอนนอกมากเกินไปโดยไม่ให้นอนบนที่นอนที่สํานาญที่สุ ข, ท, สขที่สบายให้นอนบนที่นอนที่ไม่ค่อยสุกขไม่สบายคือนอนบางเพื้อนแข็งก็ยังนอนไม่วลา พอร่างกายเหมือนเพล่พักผ่อนนอนได้ทาจากการเดนื่อยเพก็จะตื่นขึ้นมาแล้วจิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีผู้หนาที่สุกสบายถึงแม้ร่างกายจะพักผ่อนพอเพล่แล้วแต่จิตก็จะไม่อยากจะลุกากจะนอนต่อมันก็จะทําทให้ไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเอาเวลาไปนอนเอาเวลาไปกินเอาเวลาไปเสพสุขทำตาหูจมูกมีนกายหมด ถ้าถึงเพียงสี่ห้าก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิพระจิตรวมให้รวมไปหนักปัญหาสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา ừ, การที่จะทําจิตให้รวมสู่ปัปนาสมาธิได้นี้จำเป็นต้องมีสติต่อเนื่องสติสับาตรชั้นยะตั้งแต่ตื่นจนหลับ ừ, การจะเจริญสติแบบนี้ได้ก็ต้องไม่มีภารกิจการทํางานใดต่างๆมีหน้าที่อย่างเดียวคือเจริญสติ คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดนอกจากการทํากิจที่จําเป็นเช่นเี้เยงแล้วเลี้ยงดูร่างกายหาหาแนะร่างกายรับประทาน อ, า น, อ า, าน้ำอาบท่าทำความสะอาดสถานที่พักปฏิบัติท่านั้นเองที่เป็นงานต้องทําสําหรับผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นก็จะไม่ทํางานอย่างอื่นให้มาทํางานกรรมฐานกรรมฐานก็คือการเจริญสติจะมีสติได้ให้จิตยังไม่รู้อยู่ครับ ก็จิตจะต้องเล่นแล้วรู้อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็มีหลากหลายชีวิตที่เราสามารถเลใช้ได้แล้วแต่กรณีถ้าน้อยก็ไหนกณีทั่วไปเราก็จะใช้พุโทโธพุท ธ, ธานุสติคกาจะเจริญพุท ธ, ธานุสติทั้งวันทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธไปเลยลถ้าเรา อยากจะใช้กรรมฐานอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือกายยัตาสติให้มีสติด้วย ก, การเคลื่อนไหวการทำงานต่างๆของร่างกายเพื่อถูกใจหนึ่งใจไม่ให้ลอยไปคิดคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองจะใช้พุทโธใช้กายยักตาสติก็เป็นวิธีเจริญสติให้เกิดสติสัมปชัญญะให้มีสติต่ตอเ น, นื่อไม่เผลไม่เื่อ ถ้ามีสติต่ตอเนื่องเวลาเวลามันนั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้่ายได้เร็วถ้ามีสติตสัำปะชัญยต่อเนื่องประมาณห้านาทีจิตก็จะรวมได้พอจิตรวมจิตก็จะเนื่งสมองแล้วจิตก็จะมีพลังของอุงเบกขาเกิดขึ้นมาคือจิตนั้นจะไม่มีความลักชังโกรธถ้าต้องไปสัมผัสรับรู้อะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินไายไม่ดีใจไม่เสียใจ ไม่เกิดความอยากต่างๆนนะ้อันนีนะ้จะเป็นกำลังของจิตที่จะไปใช้ในการพิจารณาความอยากต่างๆความอยากในระดับสูงนี้ร ะ, ระดับโลกุตลธรรมนี้ก็คือสังโยชนิปการถ้าละสัมโยชนิปการได้ก็จะบรรลุมากผลนิพพานบรรุพระบรรลุเป็นพระอริยบมงคลสี่ระดับได้ตาง ตามกำลังของการละสัมโยชน์เป็นสัมโยชน์กลุ่มนรกที่ต้องละก็คือที่เพื่อจะบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่มีอยู่สามข้อสังขารนิธิความหลงความบิดเบือนเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นว่าความรู้สึนกนคิดเป็นตัวเราของเราแล้วก็ความไม่มั่นใจแน่ใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือไม แล้วก็การไม่มั่นใจในเรื่องของการรักษาศินว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรักษาหรือไม่แต่ถ้าปฏิบัติได้แน่นถ้าละสามสังโยสสามข้อนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันการปฏิบัติเพื่อละสังโยสสามข้อนี้เรามาลข้อเดียวคือสักยะทิฏฐิเพราะมันเป็นพวงสามข้อนี้มันมาเป็นพวง ถ้าสักากายทย่างได้มันก็จะละความลงในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ละสิพรพัฒนาบามามได้เพราะเห็นได้ก็เดี๋ยวจะอธิบายไปแต่พูดที่เยมาลาสังโยช น, นี้ต้องมีสมาธิขั้นระดับอัปปนาสมาธิสามารถทำให้จิต น, นิ่งสงบได้นานสักต่วาราไม่ไม่มีความลับชังกลัวหลง เวลาออกจากสมาธิมา อ, อุเบกานี้ก็ยั ง, ยงมีตกค้างอยู่ในใจก็ื่อจะสามารถมาสนับสนุนปัญญาเมื่อให้ปัญญาพิจารณาให้ณสังโยชนักยัติฐิก็คือการไปถือว่าสันขันธานี้เป็นตัวเราของเราถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถือว่ารูปความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สั่ได้ ซึ่ในยามปกติเราก็สามารถควบคุมร่างกายเราได้อยากจะให้ร่างกายเดินให้ยืนให้ทําอะไรแล้วก็สั่งได้อยากจะให้มีความรู้สึกสุขสบายแล้วก็สํ า, าได้ถ้ามันร้อนแล้วก็อาบน้าได้ทําอะไรได้เพื่อให้มีสุขเวทนาเราสามารถกําจัดทุกเวทนาได้เราก็เลยคิดว่าเราในขันธ์ห้านี้เป็นของเราอยู่ภายใต้คำคำสั่งของเรา แต่ความจริงคือมันจะมีถึงจุดหนึ่งที่เราจะไม่สามารถสั่งมันได้ห้ามมันได้เนเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตามตามร่างกายในส่วนต่างๆอันนี้ต้องไปหาหมอหมอก็ต้องหายาวิธีการรักษาบางทีก็รักษาไม่ได้บางทีการรักษาได้อันนี้ก็คือคือทุกขเวทนา ซึ่งเป็นส่วนขอ ง, งขนามธรรมส่วนน่างกายความตายนั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายน่างกายนี้มันก็ไม่เทีย่ยวเกิดแั้วนในที่สุดมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครไปควบคุมบังคับห้ามมันไม่ให้น่ากายน์ตายได้นี่เราจะทําข้อสอบข้อนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องทาตอนที่เกิดความทุกข์ใจเพราะว่าเราจะ ต้องการปฏิบัติของเรานี่ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่เราไปยึดไปติดกับขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราของเราเช่นเวลาที่เราอยู่ในสภาพที่ท้าทายต่อความเป็นความตายนี่ใจเราจะรู้สึกยังไงจะต้องรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเชน่นเราไปเจอภัยไปเจอมูตัวนึ่างนี้ทันเกิดในใจของเรากับตอนที่เจอมูทำไม่เจอมูมันต่างกันไห อันนั้นนะก็เพราะว่าใจมันเริ่มกังวลแล้วว่ามันจะทําให้ร่างกายนี้ตายหรือไม่ก็เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมนาะส่วนความเจ็บก็คือต้องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตามทุกตามร่างกายแล้วไม่สามารถใช้อะไรมาระ ง, งับมันได้ก็จึงจะเห็นว่าอ๋อความเจ็บนี้บางทีก็ห้าม ม, ามันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ตอนที่เกิดความเจ็บก็ดีกิดความตาย การความตายก็ดีใจจะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีทีนี้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจนะารณาละมาดับความทุกข์ด้วยการนะนะสักกายทิฐิคือเราพิจารณาร่างกายและเวทนาคือขันห้านี้ว่ามันมีตัวตนหรือไม่นรืมันเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ร่างกายมันก็ทำมาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟมันมีการรวมตัวขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็มีการเสื่อมสลายกลับไปสู่ธาตุเดิมเวลาตายธาตุสีที่อยู่ในร่างกายก็แยกออกจากกันไปเวลาเกิดก็เวลาตั้งครรภ์ก็เวลาที่ธาตุสีมารวมตัวกันแล้วเวลาจะนอนเติบโตก็เป็นการเติมธาตุสีเข้าไปให้ร่างกายมันโตไปเรื่อยๆเราต้องมาพิจารณาเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของสภาวะธรรมคือธาตุสีอินทร์น้าลมไฟที่มาก่อตั้งก่อตัวขึ้นมาแล้วในวันหนึ่งก็จะต้องร่วมสลายหายไปกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาเราต้องพิจารณาถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันทําให้เรากลัวตายขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราห้ามความตายได้ไหรือไม่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ภายใต้ไม่มีใครจะห้ามความตายได้ คนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เลยว่าต้องตายเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นนัตตาไม่เป็นไม่ใช่เป็นของใครไม่มีภายใต้การควบคุมหมักเท่าของใครร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นในที่สุดที่ทีใจทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีธรรมตัณหาความอยากอยากให้ไม่ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายนั่นเองความอยากอยู่ เอาอยากให้ไร่างกายตายเอาอยากให้ร่างกายไม่เจ็บ aqui. นี่เราเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาสมุทัยไงสมุทัยทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจแล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจนี่เราก็ทำละสมุทัยหยุดความอยากนี่หยุดความอยากไม่แก e. ่หยุด like ความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายเราจะหยุดได้ยังไงเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะอยากหรือไม่อยากเราก็ห้ามความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดี แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราห้ามความทุกข์ใจได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยโดยตัดกะแล้วก็มาสรุปลงที่ว่าต้องหยุดความอยากเพราะความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจพอถ้าใจมีอุเบกขาใจก็จะหยุดความอยากได้ถ้าใจยังไม่มีอุเบกขาก็ยังยังไม่สามารถหยุดได้ก็ยังต้องทุกข์ต่อไป อันนี้คือวิธีที่จะทําให้เราละสักยาธิติได้ต้องเห็นความจริงของการฆ่าว่าเป็นตายละเป็นนิจจังทุกขังหนังตาที่ทุกขเพราะว่าใจไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังหลัตาแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมันต้องเจ็บต้องตายในที่สุดถ้ายอมรับความจริงเห็นความจริงแล้วไม่ฝืนความจริงมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไป ก็จะละความอยากไม่จะไมเจ็บอยากไม่ตายอดหยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอความอยากไม่เจ็บไม่ตายนี้หยุดปั๊บความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นก็หายไปอันนี้เราเห็นแบบสดๆนั่นัเห็นแบบของจริงนะถ้าเรากลัวตายขึ้นมาไปหยุดไปเจอเหตุการณ์ที่มันอาจจะทําให้เราต้องรู้สึกว่าเราจะอาจจะต้องตายก็ได้เราใจเราก็ทุกข์แสนทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่า ท่านตายมันต้องตายไม่ใช่ก็เร็วอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ยอมตายเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมตายเราก็จะไม่ทุกข์ใจก็ต้องใจที่ทุกข์ก็ทนทุกข์ไม่ใหญ่จะทุกข์ก็ต้องยอมยอมตายยอมปล่อยให้ร่างกายตายแค่เทานั้นเองเพอยอมตายก็หยุดความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ก็หายไปหายไปเพราะปัญญาิที่เป็นมรร ทุกที่หายไปเราเรียกวันมโดมก็จะเห็นอริยสัจสีทํางานกันอย่างด้วยเห็นด้วยผลทุกเก็จากส ม, มุทยัยความอยากทุกดับไปเพราะละความอยากได้สิ่งที่จะมาละความอยากสอนใจให้ละนั่ก็คือปัญญาสอนให้เห็นว่าตัวที่ทําให้ใจทุกตอนนี้ก็คือความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือไม่ตายไม่เจ็บ ว่าร่างกายต้องตายต้องเจ็บอยากยังไงมันก็ต้องตายต้องเจ็บอยู่ดีอถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จะเอาอย่างไรท่านมันจะมาสรุปตรงที่คําถามนี้ว่าถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยาก ก, าก็ไม่ทุกข์จ้าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ดีดก็เปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจอยากอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายให้เป็นปล่อยมันตายปล่อยมันเจ็บพยายามเจ็บยอมตายไปใจก็หายทุกข์เพอาะใจหายทุกข์ใจก็อยู่กับความตายหน้าอยู่กับความเจ็บได้อย่าง ไม่รู้สึกสะทกสะทานแต่อย่างใรเฉยๆไปอยู่นิ่งสมบอยู่ด้วยอุเบกาอันนี้ก็คือการละสังโยชน์ข้อข้อที่หนึ่งคือสกยาทิฏฐิเมื่อล้ด้วยปัญญาโดยการเห็นมันเห็นอริยสัจสี่มันก็จะเห็นธรรมขึ้นมาอริยสัจสี่ก็คือธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศสอนเนี่ยเราก็จะไม่สงสัยใน ต, ตัวพระพุทธเจ้าว่าไปจริงหรอไม พอเราเห็นธรรมสอนของพระพุเจ้าปรากฏขึ้นมาในใจของเราผู้ะพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ได้เห็นธรรมในใจที่เกิดจากการปฏิบัติจะเห็นจะรู้จักตถาคตว่าเป็นใครก็คือผู้ที่สอนธรรมานนี้ไงไม่สงสัยว่าธรรมานี้เป็นของใครใครเป็นผู้สั่งสอนเป็นคนผู้ค้นพบก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นธรรมเห็น เห็นพุทธะก็คือผู้ที่ปฏิบัตินี้ปฏิบัติเจ้าผู้ที่ละสังโยชน์ได้นี้ก็คือพระโสดาบันก็เป็นพระอันี่ยบุคคลเป็นสังเป็นสังเป็นสังฆะขึ้นมาี่ก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมอยู่ในจิตในขณะนั้นว่าก็ก็คือจิตผู้ปฏิบัตินี่แหละที่จะเป็นเพื่อจะเป็นสังฆะแล้วผู้ที่เป็นสังฆะนี่ก็จะเป็นผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้า ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมประสงค์จริงหรือไม่ส่วนเรื่องเรื่องการกระทำบาป ก, ก็จะรู้ว่าเกิดจากการเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้โดยสุดจบิตก็ไปทําบาปพอที่จะได้สิ่งที่ต้องการพอได้มาแล้วมันก็ทําให้ใจทุกข์ร้อนขึ้นมาเนี่มันความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้มันไม่คุ้มค่ากัน ความทุกที่ได้มาได้เดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์ร้อนของจิตใจนี้มันฝัองอยู่ในใจแล้วมันจะส่งให้ใจไปอบายไปนรกต่อไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกข์เกิดจากความกระทําบาปก็เห็นก็จะไม่ทําเห็นเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากก็จะไม่ทําจะไม่อยากบาปก็ไม่ทําความอยากก็ไม่มีก็จะไม่มีสีลับพัสตาามะไม่ลังเล ไม่รูปคําในสิ่งจะรักษาสิงยิ่งกว่าชีวิตเนถ้าต้องเลือกระหว่างชีวิตกับสิงท่านก็จะเลือกชีวิตเลือกสิงเพราะร่างกายางไงมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าไปทํำบาปเพื่อรักษาชีวิตมันก็ต้องไปใช้หนี่ใช้บาปตายไปก็ต้องไปใช้ไปเกิดในอาบายแต่ถ้าปล่อยให้มันตายไปโดยที่ไม่ไม่ทําบา แลรางกายตายไปจิตก็ไม่ต้องไปนับใช้หนี้ที่เกิดจากการกระทำบาปเพราะไม่ได้ทำบาปอันนี้ก็เป็นการละสามโยต์สามข้อแรกก็ได้บรรลุเป็นขั้นพระโสดาบันนีสามโยต์ที่ต้องละอีกตามายอีกสองข้อก็คือการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือการอยากร่วมเพศอยากเสบกามเสบความสุขทางเพศ เวลาเกิดความสทางเพศแล้วไม่ได้เสพเนี่มันจะรู้สึกโมจีดมันก็จะเกิดปฏิกะขึ้นมาคนนี้ทำทั้งโลกก็เลยต้องระบายความโมหีนด้วยการไปเสพเสพมปร่วมเพศกันทีนี้ถ้าเราไปร่วมเพศเราก็จะติดอยู่ในพบในการมาพบอยู่ต่อไปก็ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดกลับมาเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพการมั่วมันกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆถ้าเรานี่ยอากจะตัดภพชาติ ไม่อยากจะกรรมมาเกิดในการมมาพบเราก็ต้ระละการมมาละค้าตัวนี้ให้ได้ที่ในการละการมมาละค้นี้ได้ก็ต้องใช้กรรมฐานที่เรียกว่าอสุภะเพราะว่าการมมาละคามันเกิดจากการที่เราไปเห็นร่างกายที่น่าดูน่าชมคนเราส่วนใหญ่น่มักจะเวลาออกไปนอกบ้านมักจะแต่งไม่ต้องแต่งตัวแต่งกายอะไให้มันดูน่าดูน่าชมพอเห็นก็ทําให้คนเกิดการมมาละคาขึ้นมา ในวิธีแก้ก็คือเราต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังของร่างกายให้เห็นว่าร่างกายมันสวยน่าดูน่าชมเพียงแต่ภายนอกแต่ภายในภายใต้ผิวหนังนี่มันมีอาการที่ไม่น่าดูน่าชมเยอะแยะไปหมดมีโครงกระดูมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้อะไรต่างอันนี้เราศึกษาการ32ของร่างกายอยู่เรื่อยๆจนทั้งจําได้ เวลาให้น่างกายที่น่าดูน่าชมแล้วเกิดการมาราคาก็สามารถเอาสภาพนี้มาดับได้เรคิดถึงสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังว่ามันไม่น่าดูน่าชมเลยการมาราคามันก็จะระงับได้ถ้าทําได้เป็นถ้าทําให้การมาราคาเบาบางท่านก็ถือว่าได้บรรลุภาริยะบุคคลขั้นที่ขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีก็ยังไม่ได้กําจัดการมาราคานั้นเต็มร้อยแต่ลดลงประมาณห้าสิบห้าสิบ เวลาใดที่นึกถึงอรสุภาพได้เวลานั้นการมราคะก็ดับได้เวลาใดที่เผลอไม่ได้นึกถึงอรสุภาพการมราคะก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ก็ท่านก็ทําให้การมราคะเบาบางลงครั้ง น, นี้ก็ไม่ว่าเป็นขั้นขั้นสตรีาคามีทําให้การมราคะน้ำอมบุนหิ ท, ที่เกิดจากการอยากทุศึกการนี้มันลดน้อยลงไปประมาณเบาบางท่านบกทำให้เบาบางลง แล้วถ้าจะขึ้นสู่ขั้นที่สามก็คือต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาถ้าเราเห็นอสุภะทุกครั้งที่เราเห็นรน่างกายเรานึกถึงอาการ3งขึ้นมาทันทีก า, ารบรรคะก็เกิดไม่ได้ถ้าสามารถที่จะมองเห็นอสุภะตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเห็นรน่างกายที่น่านดูน่าชมอสุภะที่เราเคยหมั่นเตืนอนคยพิจารณาอยู่เนืองเนือมันก็จะผ่ขึ้นมาในใจ อบภพขึ้นมาในใจการมาลาค้าก็ดับไปปฏิฆาความบุญ น, นี้ก็จะดับไปตามไปมใจก็จะพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาภพเหตุที่เรากลับมากมาเกิดในการมาภพกันเ พ, พกการาะการมาลาค้านี่แนหะละการมาตาัญหาอี่อยากจะเสียงรูปเสียงกลิ่นรสปวดทา่าพะของหร่างกครของคนนั้นของคนนี้แต่พอเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามเป็นสุภาพ ความอยากท้งสีมันก็หมดไปจใจของมนุษย์ถึงทำขั้นที่สามละสัโยชน์อีกสองข้อได้อย่างสมบูรณ์ละการมรรคละปฏิฆะได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ปัญญาคนละระดับกันปัญญาของพระโสดาบนันุพระโสดาบันนี้ต้องพิจารณาขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ไม่มีตัวตนส่วนแต่ละ อีกสองขั้นได้สกิดาคามีการนาคามีก็ต้องละ ก, กามาราคะละปฏิกะจะลาได้ก็ต้องพิจารณาสุภาษเห็นว่าร่างกายที่น่าดูน่าชมจัะแต่ภายนอกนี้พอมองก็ไปไภายใ น, นมันไม่มีอะไรยอดน่าชมเลยอันนี้ก็จะทําให้การมาราคาดับไปอย่างท้าวนอนเพราะมีปัญญาคุมอยู่ถ้ามองเห็นร่างกายที่ไรเขาจะเห็นน่าสวยว่างามหน้าดูน่าชมครับ ไอ้อาสุภาษามันก็จะขึ้นมาทันทีเพราะมันพิจารณาจนเป็นฝังเป็นเหมือนกันเป็นความจําเหมือนกับสูตรคูณที่เราเคยเท่าไว้ีกถ้าจะไม่ลืมเลยถ้าเราใช้สูตรคูณอยู่เป็นประจํานี่พอเห็นสองคูณสองเท่าไหร่คําตอบมันก็โผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันถเราพิจารณาสุภาษอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเรามันจะไม่หนึ่งมันจะเป็นปัญญาถ้ายังลืมไน่ได้มัยก็นยังเป็นสัญญาอยู่ ความรู้ที่เรามามาเรียนมาลุกันเนี้บางอย่างมันก็เป็นสัญญาคือมันมันลืมได้ถ้าเราไม่ไปมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะลืมได้แต่ถ้าเรามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ลืมพอไม่ลืมมันก็เป็นปัญญาเพราะมันสามารถเอาเอาความรู้นี้มาดับความทุกข์ได้ทุกเวลาดับการมราคะได้ทุกเวลาที่เราต้องการอันนี้ก็จะสังโยชน์เรื่องต่ำได้ห้าข้อ สังโยชน์ต้องจำี่เกี่ยวกับเรื่องของ่างกายผู้ที่ละสังโยชน์ทั้งห้านั้ได้บรรลุเป็นผนะ้านาคามีได้ก็จะไม่กลับมามีร่างกายกต่อไปพราะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเกียดต้องตายและร่างกายของคนอื่นที่อยากจะเสพการก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามครับเมื่อก่อนเห็นว่าสวยว่างามแต่นี้พอไปเจรณาเสพผ้ากเห็นว่าร่างกายของคนอื่นก็ไม่สวยไม่งาม ก็ไม่อยากที่จะกรรมมาเสียกลางแบบเสพรูปร่างกายของคนอื่นอีกต่อไปการยังกรรมมัเกิดใหการมมาพบเข้าหมดลงการยังกรรมมัเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดอีกแล้วถ้าตายไปก่อนมันรู้ถึงร้อยพานก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นธงมรโลกที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุดท้าว่ามีอยู่ห้าชั้นด้วยกันอันนี้ก็ เป็นที่ไปของจิตจิตดวงนี้จะไม่กลับมาเกิดอนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าใครบอกเป็นอนนาคาเมนก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็โมเมขัดมันไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าเป็นอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดถ้ากลับมาเกิดก็อาจจะเป็นโซดาบันก็ได้โซนาบันยังกลับมาเกิดสักิลาคามมยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังติดกรรมนวดแห่งกรรมอยู่ ข้าดาวันก็า จ, จะต้องกลับมาเกิดถึงเจ็ดภพในการก็จะสามารถกําจัดการมาราคาได้ถ้าเป็นสกิรดาคามีก็กลับมาเกิดอีกภพเดียวก็สามารถกําจัดการมาราคาให้หมสิ้นไปได้แต่ว่าเราผ่านขั้นนี้ไปแนละ้วเรื่องของร่างกายไม่มีอะไรต้องพิจ้าหนาต่อไปเนร่างกายทีไรก็รู้ว่าต้องเกิดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บท้อตายทันทีเห็นร่างกายแล้วก็เห็นมันสุภาทันที มันก็ลยไม่มีปัญหาสัมยตั้งห้าข้อมันเกิดจากการที่ไม่เห็นไตรักในร่างกายไม่เห็นอสุภะในร่างกายนั่นเ้งพอมาเห็นอสุภะเห็นใจรักในร่างกายแล้วสัมยตั้งห้อนี้ก็จะหมดไปตัวที่จะดึงใจให้กลับมาวิยนว่ายตายเกิดในการมาพบก็หมดไปแต่ยังมีอีกหาข้อที่เรียกสั ม, สมยมมลวังวนอันนี้เกี่ยวว่าเรื่องของตัวจิตโดยตรงตอนนี้มันจะผูกจิตให้ติดอยู่กับได้ ในรูปประพบหรืออรูปประพบอยู่ถ้าติดในรูปประชันก็จะพาให้กลับมาเกนนปปาิดในรูปประพบถ้าติดในอรูปประชันก็จะกลับมาเกิดในอรูปประพบเขาเรียกว่าการติดในรูปประชันก็เป็นเป็นสัยญา์อย่างหนึ่งการติดในอรูปประชันก็เป็นถางย่อยอย่างหนึ่งที่เรียกว่าภาษาบาลีจำไม่ได้หมอจำได้ไม่เยอะอะไรค่ะเนี่ยก็อะไร แต่ม่ไดรูปราคะอรูปราคะรูปราคะก็คือการติดในรูปฌปาอนอารู ป, ป ร, ราคะก็คือความยินดีในรูปฌปานเพราะเวลาเข้าฌานแล้วจิตก็จะมีความสุขแต่ฌาม น, นมันเป็นมันเป็นอนิจจมทุกข์อนัตตาตอนตอน้องจำไม่ได้พิจารณาพอพิจารณารู้ว่าอ้าวเราเราไปติดสิ่งที่เป็นอนิจจมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่สามารถให้ความสุขเราได้ตลอดเวลา เวลาเข้าชาชานก็มีความสุขเวลาออกจากชามาความสุขที่ได้จากชาชนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาอันนี้ก็ต้องละสองอันนี้มึงถ้าคนที่คนที่ติดกาแฟติดบุหรี่เนี้ยก็ต้องต้องมีกาแฟไว้ดื่มอยู่เรื่อยๆมีบุหรี่ไว้สูบอยู่เรื่อยๆถึงจะสบายใจเวลาขาดบุหรี่าดกาแฟมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจ รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาฉันในรูปราคะอารมราคะก็เหมือนบุหรี่เหมือนเหมือนกาแฟเนี่ยแต่เป็นของที่ละเอียดกว่าบุหรี่มันเป็นนามธรรมาเป็นความสุขธรรมลั่นที่เกิดจากความสงบนามธรรมเป็นตายรักอยู่ต้องพไปรนาให้มันเป็นตายรักแล้วอยากไปติดมันส่วนส่วนน้อยอีกข้อหนึ่งคือดเกิด เรกว่ารการถือตัวมานะมานะนี่ก็คือการถือตัวถือว่าจิตนี้ยังมีตัวตนอยู่ถือว่ายังเป็นเราเป็นเขาอยู่พิจารณาดูธรรมชาติของจิตแล้วจิตมันก็เป็นแค่่านรู้เป็นธรรมชาติที่สักแต่ว่ามัมีความรู้สึกมีคิดแต่ตัวตนนันไม่มีเวลาทำจิตให้สงบความรู้สึกว่าที่มีตัวตนมันก็จะหายไปก็ มานะหรือความรู้สึกว่าตัวตนนี้มันเกิดจากสัมผาสเราคิดปรุงแต่งนั้นเท่านั้นของจิตแต่ว่าจิตสงบในสมาธิความรู้สึกว่ามีตัวตนหมือนหาดไปก็จะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของจริงก็คือตัวรู้นี้เป็นเป็นธรรมชาติที่รู้แต่ไม่ไม่ใช่ตัวตนก็จะเข้าใจมานะและสามารถละมานะได้เวลาสัมผัสรับรู้อะไรก็จะสักแต่ว่ารู้เฉย ไม่เอาตัวตนออกไปรับใครด่าก็ไม่ไปเอาตัวตนไปรับไปยิ้มแย้มจัดไปโกรธไปแค้นไปเคือนเนาะเวลาใครชมก็ไม่ออกไปรับด้วยคำมีดีให้รู้เฉยๆไปอันนี้ก็เป็นการละมานะด้วยการให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ทางที่พระเจ้าสอนเห็นอะไรก็ศักแต่วาเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าออกไปรับอย่าเอาตัวตนออกไปรับอันนี้ก็จะละมานะได้ ก็เรื่ออวิชาก็อุทธจจะอุทธจารในที่นี้ก็คือการพิจารณาค้นหาว่าอาวิชชาคืออะไรการพิจารณาประานปัญญาถ้าคิดนานไปบ่อยๆมันก็เกิดความฟุ้งร้านขึ้นมาได้แต่ฟุ้งแบบฟุ้งในทางไม่ใช่ทางโลกฟุ้งในทางธรรมคิดแต่เรื่องปัญญาพิจารณาเหตุนนผลว่าอาวิชชาคืออะไรทํทำไงให้อวิชชาหายไปได้ถ้าคิดไปมากเกินไป จิตฟุงก็ต้องระ ง, งับความฟุ้งนิวชั่วะขาก่อนกลับ ม, มาเข้าสมาธิพักจิตในสมาธิให้หายฟุงก่อนแล้วค่อยออกไปพิจารณาใหมา่ต่อไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็จะเข้าใจว่าอาวิชชาก็คือตัวที่ไม่เข้าใจธรรมาชาติของจิตนี่คือยังมีความอยากให้จิตนี้เอเที่ยงแท้แน่นอนให้ให้สงบให้สุขไปตลอดให้เป็นนิพพานขึ้นมา ความอยากให้จิตเป็นนิพพานนี้มันไม่ได้ทําให้จิตเป็นนิพพานเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้จิตไม่ไม่สงบไม่เทยงแท้แน่นอนพ อ, อพิจารณาย้อนกลับก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความความอยากนี้เองที่ทําให้จิตไม่สงบไม่เทยงแท้แน่นอนไม่สงบอย่างทา้าววนก็ต้องหยุดความอยากนี้ไว้ให้จิตมันปิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตยังอยู่ในสภาพที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาย จิตแคยังพิจารณาได้เสื่อมได้ก็ต้องพิจารณาแล้วปล่อยวางเหมือนกับพิจารณาปล่อยวางร่างกาย้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังนั่นแหลไม่ไปยุ่งกับมันมันจะเสื่อมก็เสื่อมมันจะเจริญก็เจริญพอปล่อยวางหยุความอยากที่อยากให้มันเจริญไม่ให้มันเสื่มได้ความพอยับความอยากหมดไปสิ่งที่มาทําให้จิตมันเสื่อมมันก็หายเสื่อมมันก็เลยเป็นจิตที่สถียืนต่อไป อันนี้แหละเป็นจิตนิพพานจิตที่ละความอยากตัวสุดท้ายได้คือความอยากให้จิตนี้เที่ยงแท้แน่นอนแต่มันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ต้องยอมให้มันไม่เทียงแท้แน่นอนมันจะเจริญก็ปล่อยมันจะเจริญมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปพอปล่อยได้ปั๊บมันก็พอตัวอยากที่มาทําให้เจรวญหรือเสื่อมมันหายไป เจ็บไม่ก็เราไม่เส üh, ือ่อมไปต่อไปเจ็บในงานตั้งไม้ตั้งอยู่ในความสงบอย่า ง, ย, างยั่งยืนอันนี้ลที่เราเรียกว่านิพานนิบบานังปลาังสุ ข, ขงังพละสังโยชน์อวิชาตัวสุดท้ายนั้นเน่ยอวิชาก็เคยอการเรีรู้ว่าตัวจิตนี้จิตนี้ยังไม่เที่ยงจิตที่กําลังพิจารณาอยู่นี้ยังไม่เที่ยงจิตที่ยังไม่เข้าถึงนิพานนี้ยังไม่เที่ยงอยากประหยัให้มันเที่ยงนหมว่ยิ่งไม่อยากมันยิ่งไม่เที่ยงใหญ่ ต้องป่อยมันจะไม่เที่ยงก็ปล่อยมันจะเจริก็ปล่อยมันเจรมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมมันจะสุขก็ป่อยมันสุขมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์เราะู้ตามความเป็นจริงสักแต่วารู้พอรู้ปั๊บจิตที่ถูกภายใต้อำนาจของตัณหาที่ทําให้มันทุกข์มันก็หายไปจิตก็เลยสักในสุขไปตลอดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้มันสุขไปตลอดมันหายไปจิตก็เลยสุขไปตลอดเป็นบารมงสุขขั้งขึ้นมา นี่ก็คือการละสังโยชน์ห้าข้อสุดท้ายที่จะทาให้จากการเป็นผ้านะครับมีการเป็นผ้าน า, ขา น, านาขึ้นมาโดยสังเขปการปฏิบัติจริงๆนี้ต้องไปทดลองทําเอาเองนะอันนี้ไม่รับไม่จต้องสวนด้วยตนเองเพราะสิ่งที่พูดมาถูกว่าแม่อย่างไรเราคู่ไปตามความรู้สึกนึกคิดจากที่ได้ยินได้ฟังจากที่นปัจจุบัติมาผสมลงไปก็คิดว่า เป็นทางเป็นแบบนี้แหลนะอาจารย์แจ้งมากเลยครับอาจารย์ครับแผนที่ครบหมดเลยครับอาจารย์วันนี้ใช่ดนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆของง่ายๆที่อยู่ปุ๊บปั๊บจะบรรลุมรรคผลนิพพานทันทีนนได้แต่การนั่งสมาธิพินเข็งเดียวเจ็ดดวงเป็นสมาธิปับ๊บโสดามันก็เกิดขึ้นมาสกิทาคามินก็เกิดขึ้นมาอนานคามินก็เกิดขึ้นมา อันหันก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้พิจารณ์เนี่ยละสังโยนอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับผม อ, อันนี้การนี้ไม่ใครไม่ได้ฟังน่าเสียดายเลยครับราอาจารย์ตองดนหลังได้ครับผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยครับผมผมได้แผนที่ครบถ้วนแลครับแบบารครับไม่ได้เอาหน่อยเยนี่ยพอดีตอนฟังก็จิตสงบดีเลยครับพระอาจารย์ครับ ขอโอกาสคําถามจากท่านอื่นบ้างนะครับอาจารย์ครับบอกเพือนเพื่อนทางทิก tok นะครับตอนนี้เริ่มส่งคําถามเข้ามาได้นะครับจากคุณสิริการครับคนที่เคยนับถือพระและศาสนาแต่กลับมาถือเทพแบบนี้ผิดทางไหมครับและเทพเจ้ามีจริงไหมครับอย่างเช่นเทพเจ้ากวนอูครับคือเทพก็เป็นจิตดวงหนึ่งพวกเรานี่ถ้าเราทําุําทานอยู่เรื่อยๆทำบุญทำทานมากกว่าบาป แล้วตายไปจิตแล้วก็เป็นเทพเท่านั้นเองเทพนี้ไม่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้แต่คนไปนับถือเชื่อกันเองว่านับถือเทพองค์นี้นะขอโน่นขอนี้นับเทพองค์นั้นก็จะประทานให้เ้าเรียกเทพประทานพรใช่ไหมแต่ความจริงสิ่งที่จะประทานพรหรือประทานโทษให้กับเราก็คือกฎแห่งกรรมนี้เท่านั้นแหละที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนอกจากนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ประทานพรให้เราไม่ได้ แต่ให้เราเป็นป้าหลานขึ้นมาไม่ได้ให้เราล่ําให้รวยไม่ได้มันต้องเกิดจากการกระทํานะว่ากฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษกับจิตใจภาระรยาบุคคลทุกคนท่านถึงข้ลกฎแห่งกรรมท่านจะไม่ทำํำบาปโวยเด็ดขาดเพราะท่านรู้ธรรมะแล้วมันก็จะทําให้ใจของท่านตกต่ําทันทีเนีย่ยเรื่องเหล น, นี้มป็นเรื่องของความเชื่อ คนที่นับถือพระศาสนาเป็นนับถือแบบเปลือกไงนับถือแบบไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแบบเชื่อเฉยเฉยเขาว่าไงก็เชื่อไปแล้วสิ่งที่เขาว่าก็มักจะเชื่อบอกแบบผิดๆบอกว่ากับพระพุทธธรรมประสงค์ชีวิตจะเจริญง่งเร็วความจริมันไม่เจริญง่วงเร็วจากการกลับพระพุทธธรรมประสงค์มัน้งกจากการกระทำความดีปดยสายคาสั่งของพระพุทธธรรมประสงค์เป็นผู้สอนเราอีกทีหนึ่ง พอไม่พอไม่เจริญไม่นําไม่รวยก็เลยเสื่อมศรัทธาในในพระในศาสนาได้เพราะการพระแล้วจะเจริญรุ่งมเรืองก้าวหน้าในเงินมีทองแต่การมันต้องหลายปีไม่ไม่รวย ท, ทันทีคนหนึ่งนะบอกว่าไปไหว้เทพพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้น้วกลับร่ารวยขึ้นมาเสื้อหวยก็ถูกหวยขึ้นมาก็เลยแหกไปกราบเทพพระเจ้ารูปไหนกัน เ, นเนี่ยที่เอราวันเนี่ยไปกรับพระพรําที่นา ให้อาลาวนที่เสียากลาดประสงค์ <c oughs> เป็นความเชื่อไม่ใช่เป็นความจริงไม่มีอะไรให้เราให้คุณไห้โทษกับจิตใจของเราไนดะ้นอกจากการกระทำของเราเองนะคือกรรมนี่ไปงานศพแล้วจะทำให้ดวงตกดวงดีจริงไหมครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องของความเชื่ออัไม่เกี่ยวกันดวงเนะี่ยงานศพก็เป็นการไป เ ป, เป็นการไปงานไ ป, นปนงานแต่งงานเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เราต้องไปเพื่อแสดงความรักความห่วงใยความเคารพต่อกันและกันให้กำลังใจต่อกันและกันคุณนิชากรครับวิธีการที่คนธรรมดาจะบรรลุธรรมพระอาจารย์น่าจะตอบละเอียดไปแล้วครับอาจารย์นั้นแะศีลสมาธิปัญญา ป, ปฏิบัติ เอาที่สินแปดถ้ายังรักษาสิบแปดไม่ได้ก็เอาที่สี่ห้าไปก่อนรักษาสี่ห้าให้ทุกวันแล้วพอม ว, วันวันหยุดทํางานก็มารักษาสิบแปดปฏิบททัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาจะครุวันเพลยบอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงๆหรือเปล่าครับอ่าเนี่ยพูดมาตลอดทั้งวันนี้ตั้งแต่เกือบเช้าวันนี้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะพูดถึงเรื่องการกระทำแต่พูดในการกระทํา ในในฝ่ายดีทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาก็ยัง ย, ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับราบยศสรรเสริญสูงนะอย่าเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำใหเ้เกี่ยวให้รวยรุ่นจนรวยจนที่ขึ้นอยู่กับกฎขอ ง, ของตายรักตายักก็คืออันนี้จังไม่แน่นอนบางครั้บางทีมันจะรวยก็รวยขึ้นมานบางคนมันจะจนมันก็จนขึ้ น, นมาได้ไม่มีความแน่นอนส่วนนี้นก็อยู่ที่การกระทําของตนด้วย จะรวยก็ต so so ้องขยันทางานก็อาจจะรวยได้ถ้าจังหวะมันถูกแต่บางทีขยันทํางานได้เป็นแทไตายก็ไม่รวยก็มีเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของกฎของตายนะอันนี้จาำมันเหมือนดินฟ้ากาดที่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้มันเป็นเหตุเหมือนเอาเหตุปัจจัยหลายอย่างมารวมกันทําให้รวยทําให้จนนั่นก็เรื่องกันเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่ก็เรื่องของจิตใจทําให้จิตใจสูงขึ้นต่ําลง ให้ไปเป็นดวงวิญญาชนิดต่างๆหลังจากที่ตายไปแล้วผลของการจะเกิดตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงจิตที่เป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นเทพเป็นพรหมไปหรือไปกลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์เลร้ยงาช้างไปก็ขึ้นอยู่กับการกระดึงกับบาป ท, ที่ทําไว้นี้เท่านั้นเองคุณนิดครับปฏิบัติอย่างไรจึงจะลดกิเลสได้ครับ ก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยทําให้มากขึ้นทําบุญทาทานบ่อยๆแทนที่จะทุกครั้งที่มีกิเลสอยากจะซื้อกระเป๋าใหมใหม่ก็เอ๊ะเอาเงินนี่ไปทำบุญดีกว่าไปช่วยทำบุญชนิดไหนก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขใจถ้าเราชอบชอบสัสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงสุนัข ก, ก็ได้เลี้ยงสุนัขจรจัดก็ได้ถ้าเราสงสารสัตว์เช่นปลานกที่เขาจับมาฆ่าแล้วก็เป็นปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ ไปไปป่ยวยหัวควายที่จะถูกเขาฆ่าก็ได้ทำบุลเอาเงินทองที่เราจะใช้ตับความโลภไปซื้อของที่ไม่จนเป็นของที่เรามีอยู่แล้ว <c oughs> นี่หละคือวิธีกําจัดความโลภทางด้านเข้าของเงินทองด้วยการเอาเงินทองที่เราโลภอยากได้และเข้าของที่เราอยากได้นี้เอาเงินที่เราจะไปซื้อไปทําบุญทำทานแทนแล้วใจเราก็จะชนะความโลภลดความโลภลงได้ พระใจเราก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพถ้าคนที่เคยบรรลุพระโสดาบันมาแล้วในชาติก่อนพอชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์อาายย์พอชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้นั้นจะรู้หรือไม่ครับว่าตนเองเคยเป็นพระโสดาบันครับคือชื่ออาจจะไม่รู้จักแต่เขาจะไม่ว่าเขาจะไม่ฆ่าสัตว์โดยเขาจะไม่ทํำบาปโดยเด็ดขาดแล้วเขาไม่กลัวความตายความเจ็บว เขารียว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตัวเขาเขาเป็นจิตผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวอันนี้เขาจะรู้เพราะมันมันรู้มาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วไงมันติดมากับจิตมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ความรู้ที่เรียนผ่านทางร่างกายที่ใช้ความจําเนี้อาจจะลืมได้เช่นเรียนประวัติศาสตร์เรียนเรื่องราวต่วตางๆของที่มีอยนะู่ในอดีตชาตินี้อาจจะจางหายไปจากความจําของเราก็ได้ ่ความจริงนี่มันจะไม่หายความจริงก็คือสัจธรรมอริยสัจสี น, นี่มันจะไม่หายเห็นทุกสมุติฐานนี้รู้มากที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะอยู่ในจิตมันมันก็จะปล่อยวางร่างกายมันจะไม่ยอมทุกมันจะไม่ทุกครับร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นของที่เราควบคุมบังครับได้คุณเอ็ดดี้ครับ การบรรลุธรรมต้องขึ้นไปเป็นขั้นๆเหมือนขึ้นบันไดไหมครับใชต่ต้องบรรลขั้นตอนก่อนต้องบรรลุสมาธิให้ได้ก่อนฝึกสติน้สมาธิก่อนจะได้สติสมาธิก็ต้องบรรลุขั้นศีลใ้ได้ก่อนรักษาศีลแปดให้ได้นนัก่อนแล้วถ้าไปบวชเป็นพระก็ต้องรักษาศีลสองร้อยยี่สบเจ็ดเราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิทํำจิตให้รวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ เข้าฌานสี่ได้ก็เรียกว่าบรรลุขั้นสมาธิมันจะได้ขั้นสมาธิแล้วก็ไปขั้นปัญญาต่อไปปัญญาสามโยชาย่อมข้อแรกก็ได้พระโสดาบันไล่สองข้อก็จะได้พระสติกากายอนาคามีตามลำดับมันเป็นเหมือนกับเรียนหนังสือมันเป็นวิชาต่างวิชาที่เราต้องไปสอบอันนี้เราสอบวิชาคณิตศาสตร์พวกนี้เราไปสอบวิชาวิทยาศาสตร์บันนี้เราไปสอบวิชาชีวะ มันต้งสอบแต่ละวิชาจนกว่าจะผ่านมันถึงจะเรื่อนขั้นขึ้นไปได้สวดได้แต่อิติปิโสได้ไหมครับบทอื่นจําไม่ได้ครับอ๋อจะสวดบทไหนก็ได้เพราะการสวด น, นี้เป็นการฝึกสติเท่านั้นเองคือถ้าเราต้องสวดเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่สวดมนต์เดี๋ยวก็คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเ่องนี้แล้วอาจจะเกิดอารมณ์เกิด ดิขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอามาสวดมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้บทสวดมันก็จะทําทให้ใจสงบใจไม่ฟุง้งซ่านอันนี้ก็เป็นอุบายของการฝึกสติเท่านั้นเองคุณแคทครับการใช้าศาสตร์ทางด้านโหร า, าศาสตร์มาดูเป็นแนวทางเพื่อวางแผนการดําเนินชีวิตทําธุรกิจแต่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าหรือพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําทานรักษาศีลภาวนาและศรัทธาพุทธเจ้ า, ษ า, ษ า, ษา เท่านั้นครับได้ไหมครับอ๋อมั น, ม, นมันเป็นเป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการการรับรองด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงแต่แต่แต่โหศาสตร์ที่ตรงนี่ก็ไม่มีใครอยากจะศึกษากันผู้จ้าก็สอนดูวิธีดู ด, ดยชะตาชีวิตของพวกเรา เราชะตาชีวิตของเรานี่มีแ บ, บ่เป็นส อ, สองสองสองเส้นเลยกันเส้นของทางร่างกายกับเส้นของทางจิตใจเพราะเรามีสองส่วนร่างกายเราก็มีชะตาชีวิตชะตาชีวิตของร่างกายก็คืออะไรเกิดแล้วก็ต้องแ ก, ก, ตก่ต้องเจ็บต้องตายส่วนชะตาชีวิตของจิตคืออะไรก็คือทําบำเข้าไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอธรรเนี่ยมันเปของชัดเจนตายตัวเราเอาไม่ยากศึกษากันเอาไปศึกษารายเรื่องที่เป็นของที่ ไม่จําเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรเป็นความน่ามความรวยอันนี้มันก็แค่อยู่อยู่แค่ในขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ท, ที่หาวัานได้มันก็หมดไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เราจะติดตัวไปได้ก็คือจิตใจที่มีบุญไม่มีบาปถ้ามีบุญพาไปก็ไปสวรรค์ถ้ามีมีบาปบาปก็จะพาไปนรกพาไปอาวายัยอันนี้ของจริงกับมิทยากจรเรียนกัน ก็ปเป็นของที่ไม่จริงไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่แน่นอนเราจะจัดการกับอารมณ์ดิ่งเศร้าจากการเห็นคุณแม่เจ็บปวดทรมานจากโรคภัยได้อย่างไรครับเบืเ้องต้นเราก็ต้องสงบความคิดปรงต่างของเราอย่าไปคิดถึงอาการเจ็บไข้ได้ปวยของคุณแม่ทำใจะให้ว่าให้สักแต่ว่ารู้ให้รูกเฉยๆรู้ว่าตอนนี้แม่ก็เป็นอย่างนี้แต่ใจเราไม่ ไ ม, มมไม่มีความคิดปรงแต่งการที่เราคิดปรงแต่งที่ทําให้เราเศร้าเพราะเราไม่อยากให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่ว ย, ยนั่นเองความอยากของเราทําให้ใจเราเศร้าดังั้นเบื้องต้นถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากได้ก็ใช้สติหยุดความอยากไว้ชั่วข่าวก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือ ไ, ไปนั่งสมาธิทําใจให้หยุดความอยากที่จะให้คุณน้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่หายไ ม, ไม่ตาย ถ้าพอเราสามารถยูความอยากได้ใจเราก็จะหายเศร้าแล้วเร า, าก็จะมาสอนใจว่าเราต้องมองความจริงของร่างกายพราร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครของคุณแม่ของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้พอเราเห็นความจริงด้วยปัญญาเราก็ยอมรับความจริงนี้ได้ใจเราก็จะหายเศร้า คุณมีโอครับในทางธรรมอะไรทำให้คนแตกต่างกันครับกบุญกับบาปเที่เราทำเนี่ยทำบาปก็จะทำให้คนนี้เป็นคนที่ไม่ดีกอนมาก็ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ด้ยอยอภิมาราสนาเป็นมนุษย์ที่มีแต่ปัญหามีอะไรต่างๆคนที่ทำบุญนี่ก็จะมีบารมี เพบุญนี้ก็คือบารมีเป็นคนที่มีวาสนาบารมีทำไรก็จะเจริญโน้มน้อันอยู่ที่บุญกบับบาปนี่แหละทําไมถึงเห็นดวงแสงคล้ายพระอาทิตย์พุ่งเข้ามาหาเราครับเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะจะเห็นก็ให้รู้ว่าเป็นเป็นตาลักเป็นเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวเห็นพระอาทิตยวมันก็หายไป อย่าไปให้ความสำคัญะอะไรกับมันปล่อยให้มันมาแล้วก็ไปไม่มีความสําคัญเลย ไ, ไม่ให้คุณให้โทษกับเราไม่ไปเสียเวลาคุณบุกผาครับไม่ได้สวดมนต์แต่ถือศีลห้าหมดอายุไขจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกไหมครับถ้าถือศีลห้าแล้วไม่ได้สวดมนต์ ก, ก็ก็ตายไปกลับมาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนี่จิตก็จะไม่ไปสูงกวบความเป็นมนุษย์จิตจะรักษาความมนุษย์ไว้ด้วยการรักษาสี่ห้าแต่ถ้ารักษาศี่ห้าไม่ได้จิตก็จะตกต่ําลงไปเป็นเตลเป็นนิสัยร่างกาเป็นนรกไม่เป็นไดรแล้วชันตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนโอโหจกรรมมาถึงยี่ห้อยกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ เราควรทําใจอย่างไรไม่ให้ฟุ้งซ่านกับการเงินการงานที่ไม่ดีในปัจจุบันครับก็ลริ่มฝึกสติเนีคอยควบคุมความคิดพอเห็นเราเริ่มทุกขเริ่มฟุ้งซ่านมันก็หยุดมันเหมือนกับที่เราใช้ยาแก้ปวดเนี่ยเวลาเราปวดศีรษะเราก็หายาแก้ปวดมารประทานพอประทานมันก็บรรเทาอาการปวดศีรษะลงไปได้ในใจมเวลาทุกข์ก็เหมือนกับปวดศีรษะ น, นี่นะยาที่จะรักษาก็คือธรรมะโอสถของพระพุทธเจ้าก็คือสติ หรือปัญญาถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่ได้เราก็ใช้สติไปก่อนเพราะสติที่เป็นวิธีที่ง่ายเปลี่ยนแต่เราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหยุดความคิดใท้เราเลยบางที่ทําให้เราทุกข์ได้ความทุกข์นั้นมันก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถางวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าชีวิตของคนคนมันไม่ไไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนมีขึ้นมีลงมีรวยมีจนได้สลับกันไป เศรษฐกษิจการเงการการอะไรต่างๆมันก็ไม่แน่นอนบางทีก็จะถูกก็มีขาขึ้นก็มีขาลงต้องไหเข้าใจแบบนี้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกกับมันคุณสุภาพรณ์ครับถามเรื่องการทํางานในหมู่มากต้องทําใจอย่างไรให้อยู่ในธรรมส่วนใหญ่จะไม่คํานึงถึงเวลาราชการจะเล่นมากกว่าทํางานครับ ก็อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นครับหน้าที่อะไรของเราเราก็ทาหน้าที่ของเราของเราไปส่วนนอื่นก็จะทำให้ทำนันครเป็นเรื่องของเขาอย่าไปสนใจวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปสนใจอย่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาถ้าเราละกามาราคะได้และถือศีลห้าแล้วปฏิบัติเรียนรู้วิปัสสนาเราจะปฏิบัติในขั้นตอนไหนต่อไปครับ คือสินห้ามนถ้าละการมาลาค้าได้แสดงว่าเราต้องเป็นสินแปดขึ้นไปนะัเราไม่รักษาศินห้าเราจะไม่อยู่จะไม่มีครอบครนะัวถ้ า, าละการมาราค้าได้เราก็อยากจะไปอยู่แบบนักบูชากกว่าเพราะที่เราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นต่อไปได้คุณวีระชัยครับการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ตามนี้ถูกไหมครับ ตามไหนตามนี้ใช่ตามที่เราพูดหรือเปล่าตามที่เราพูดก็ถูกนะครับผมเมื่อการสาปแช่งคนอื่นเช่นสาปแช่งนักการเมืองว่าไม่ดีอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็เป็นคําพูดที่ไม่ควรพูดเป็นคำหยาบเป็นคำที่อจะเทว่าบาปก็ได้นะคุณกุลว่าดีครับ จะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราจะมิพานได้แน่นอนครับเามันเป็นสันติตรีมันเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้อย่างแ น, น่ชัดเจนในตอนเองเมื่อไม่มีความทุกข์ลงเหลืออยู่แล้วมันก็มันก็จะรู้เองว่าจิตไม่มีความทุกข์แล้วเจิตได้ลดทุกขจากความทุกข์อย่างท้าวอ่อนจัญญาณนะวิบุติญานะทณทัศนปรากฏตามามาพอรู้แล้วว่ามันคนได้หายจากโรคภัยใกล้เจ็บนั้นรู้รู้ได้อย่างไรว่าหายแนละ้ว เพราะว่าอาการเจ็บปวดต่างๆที่ใครมีบันหายไปหมดนะใจก็เหมือนกับร่างกายนี่แหละใจทีุ่ดทนจากความทุกข์ก็มันก็คือนิพพานเองมีคนคอมเมนต์บอกว่าจากที่ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตกลับมามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมามั้งครับารเมื่อพิจารณากายเป็นอสุภะแล้วต้องพิจารณาให้สู่ความเป็นธาตุสลายลงสู่อนัตตาไหมครับ มันครในะระดับกันการพิจาาเป็นท่าที่เราพิจนรณา้งแต่ระดับโสดาบันแล้วต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่เป็น ต, รตรัวตนเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราพอเราไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาลมันแก่มันเจ็บมันตายอันนี้เราพิจารณาในระดับขั้นโสดาบันก่อนพอผ่านขั้นโสดาบันแล้วถึงจะมาพิจารณาสุภาพรภะระกามลาภะความอยากจเจริญการ อยากจะน้อมเพลจะพูดคุณซีบครับเราฟังเสียงสวดมน์ทําวัดเช้าเย็นบางครั้งก็คิดเรื่องอื่นๆเข้ามาเราดึงสติกลับมาเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาอีกเราดึงสติกลับมาฟังเสียงสดมนเป็นระยะสั้นๆแบบนี้ได้บุญไหมครับก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้มากแต่ว่าได้บุญไหมก็มันอยู่ที่ผลนะ าถ้าจิตเรามีความสุขมันก็ได้บุญถ้ายังไม่สุขก็ยังไม่ได้บุญไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ใจเราสวดมนต์ตลอดเวลาถือว่าเป็นการทำสมาธิไหมครับเป็นการจเจริญสติเพื่อที่เราจะได้มานั่งสมาธิต่อไปได้ง่ายๆได้สงบได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่ฝึกสติไว้ก่อนเวลามานั่งสมาธิใจเราจะฟุ้งซ่านเราจะไม่มีวันที่ <c oughs> ที่จะสงบได้ ถ้าเราสมมุนไปเรืยๆทั้งวันใจเราจะไม่ฟุ้งใจเราจะเย็นใจเราจะว่างเป็นส่วนใหญ่ว่างจากความคิดพอเรามานั่งสมาธิก็จะทําทให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิได้อย่างเต็มทีค่คุณกุลวัดีครับพระอาหารหันต์ต้องอยู่ในภาวะดับตลอดเลยหรือไม่ครับเช่นดับจากสังขารครับหัวเราะได้ไหมครับจิตมีเคลื่อนบ้างได้ไหมครับที่ดับอย่างเร็ในจิตของบ้างละไรก็คือความทุกข์ ตรงนั้นก็ยังโขรกได้อาจจะร้องไห้ก็ร้องไห้ได้อย่างใจไม่ทุกข์กับกิริยาการต่างๆนั้นเป็นเพียงกิริยาคุณอาจารย์ท่านบางรูปท่านสดงการโกรธขึ้นมาก็ได้แต่มันเป็นเพียงกิริยาในการแสดงมันเราเล่นภาพยนตร์เนี่ยเล่นละครเนี่ยเราต้องแสดงบทโกรธขึ้นมาแล้วก็ทําท่าเออะทึกทักขึ้นมาอย่างใจไม่ว่าเป็นการเล่นละครด้วยถ้าละหันก็ได้ก็เป็น เรื่องความโกรธของเงินใจของท่านได้มีแต่ท่านยังอาจจะสามารถแสาดางการโกรธของขึ้นมาเป็นเป็นอุบายในการสั่งสอนคนได้อยู่เป็นวิธีการสั่งสอนคนได้อยู่ครับเรียนพระอาจารย์ครับตอนที่ผมกล้าไปนี้มลพระอาจารย์ในใจก็คิดอย่างนี้นะครับว่ายัางไงพระอาจารย์ก็ไม่โกรธผมอยู่แล้วเกิดก็เลยรู้สึกอย่างนี้ก็เลยสบายใจเพราะยังไงก็แค่เสมอตัวครับรอาจารย์ครับ คิดถึงลูกลูกไปทํางานต่างประเทศพยายามสวดมนต์กับทําสมาธิเพื่อให้หายคิดถึงแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ดีครับก็ต้องสวดต่อไป ท, อทําสมาธิให้มากขึ้นจนกว่าจะหายไม่กินยานถ้ากินยานยังไม่หายก็ต้องกินต่อไปกินให้มากขึ้นจนกว่าอาการเจ็บไข้าหายไปแล้วค่อยหยุดกินได้การสวดมนต์นัตบานที่ครับเพื่อทำให้ใจเราสบายถ้าใจเราไม่สบายก็ต้องทับต่อไปทําให้มากขึ้น คุณสุธารัตน์ครับลูกอยากทราบความหมายคําว่าให้เป็นบัวที่เกิดจากตมแต่ไม่เปื้อนตมครับไม่ชอบเหมือนกันแล้ววันนี้ไม่ได้ครับรับประทานเนื้อสัตว์เป็นกรรมผูกพันหรือเปล่าครับไม่หรอกท่านเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ไปสารให้คนอื่นค่าให้เราอนี้ยังไม่มีไม่มีเวรไ ม, ม, ม่มีกรรมกัน คุณวรนุชครับคนที่ทําทานรักษาศีลแปดและภาวานาอยู่ที่บ้านสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับาลาสังโยนได้กับวันนัได้ถ้าทําให้จิตดยงให้เป็นอัปปนาสมาธิได้แล้วสามารถเจริญปัญญาให้ละสังโยนได้กับบรรลุธรรมได้เวลาไปถือศีลในวันพระรักษาศีลแปดทำความสะอาดกวาดลานวัดได้ไหมครับบางคนบอกว่ากลัวโดนมดตายครับ พอได้เนี่ยผาก็ไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องกวาดกวาดลานวัดเลทั้ทงวันมีะ้าก็ทั้งวันกวาดกวาดลานวัดวนมดบ้างเพามันไม่ตายหรอกเพมันหลังเดี๋ยวจะตายไปไม่ต้องไปจัวนแต่ถ้าเราเห็นมันเราก็หค่ามันไปแต่ถ้าเรามองไม่เห็นก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสุดวิสัยเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูดแลรักษาความสะอาดทำความเพียรไป ยันยังคงอาจจะดันมาเหยียบมดบ้างมานบ้างก็ได้เพราะตัวมันเล็ ก, า ก, า ก, ากอาจจะมองไม่เห็นคุณวีรชัยครับการปฏิบัติตามอริยสัจสี่อย่างนี้ถูกไหมครับทุกกำหนดรู้เมื่อหิวข้าวสมุททยมีขันห้านิโรธดับทุกข์ชั่วคราวโดยการบริโภคอาหารปฏิบัติศีสมาธิปัญญามักเห็นทุกสมุทยนิโรธต้องเป็น่เลื่องทำในย่ำเรื่อง เป็นทุกเพราะว่าเราถูกไล่ออกจากงานนี่ทุกนะทุกใช่ไหมที่เราทุกเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะออกจากงานใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราอยากจะออกจากงานอยู่แล้วเข้าไล่เราออกเราจะทุกไม่ทุกใช่ไม้มเราก็ดีใจ น, นี่ต้องเป็นเรื่องเลื่องมันไม่ใช่เรื่อ ง, ม, ม, องมั่วกันไปบน่นไมเรื่องกินข้าวไม่ก็มาสมุรทรไทยขันห้าอะไรนะทราบคนเรื่องกันเอาเป็นเรื่องเลื่องถ้าเราทุกเพราะแฟนทิ้งเราไป ก็เพราะอะไรพรเราไม่อยากให้เ้าทิ้งเราไปใช่ไหมแต่แฟนเ ร, เราเราไปควบคุมบังคับเขาได้ไหรือเปล่าไม่ได้เขาจะอยู่เขาจะไปเนี่ยเราไม่สามารถสั่งเขาได้ห้ามเขาได้เพราะเขาเป็นอนุตตาต้องเห็นว่าแฟนเป็นอนุตตาเป็นนิจจ์ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเวลาเขาจากเราไปเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาจากออกไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากนี้เปลี่ยนใจอนะ อ, อยาจะไปก็ปไปกาไปมันก็หายทุกข์ ไม่ถ้าเรามีความตั้งใจอยากจะให้เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยพอเข้าไปเราลดใจเ จ, จเราก็ไม่ทุกข์ อ, อันนี้เราอริยสัจสีมันต้องมองแบบนี้บองที่ตัวความอยากกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราในเรื่องในใ น, ในแต่ละเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องมาปนกันไปหมดอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องไหนบ้างเนี่ยมีทุกข์ก็ไ่อยู่ข้าวแล้วตัว ท, ทายก็มีขันท่าขึ้นมา มันมันไม่นรู้จะตอบยังไงมีบลิโภคอาหารเองการทำบุญทันทีทันใดเรียกว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าครับไม่การทำบุญทำทานเป็นมรรคเป็นธรรมะเป็นการดับทุกข์เพราะว่าพอเราทำบุญนี่ใจที่เราหวงกับเงินก้อนนี้ก็หมดไปแต่เราก็ไม่ต้องมาหวงมาหวงมาทุกข enfin ์กับเงินก้อนนี้ต่อไปก่อนจะให้บางทีก็ต้องมากังวลจะเก็บไว้ที่ไหนดี อถ้ามันปลอดภัยเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวกลัวจะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไปทําเรื่องทํานี่ก็จะหมดเรื่องหมดตัวได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไปทําบุญนดะ้พอสละเงินก็อนนี้ไปได้พราความทุกข์ก็หายไปความสุขใจก็เกิดขึ้นมาความสุขใจสบายใจที่ไม่ต้องมาทุกข์ก่อนนั่นเงินทองก้อนนี้ไปได้ คนที่ทําสื่อเผยแพร่ธรรมะจะได้บุญเนีในสงแบบไหนครับก็มีส่วนร่วมในการทำธรรมธรรมทานถึงมันจะไม่ใช่เป็นธรรมะของโดนเองก็ตามเช่นราเพ็นใหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราก็ถือว่าเราได้ทําธรรมทานได้เคยผ่าทำบาปที่เคยทําในอดีตยังวนเวียนอยู่ในปัจจุบนันมีความรู้สึกผิดตลอดต้องปฏิบัติและวางใจได้อย่างไรครับ คือถ้ามันเป็นความคิดถึงบาปที่เราเคยทำในอดีตเราก็หยุดมันเสียเวลาคิดถึงมันก็พุทโธพุทโธไปอินทรีสอนให้เราบอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วเรากลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วแต่วิบากของมันยังมันยังยังต้องแสดงผลอยู่ถ้ามันยังไม่ได้แสดงผลมันก็ยังต้องแสดงผลต่อไปเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากอย่าไปกลัวมันถ้ามันจะต้องแสดงผลก็ต้องยอมนะแต่ถ้าจะ ทำผิดกฎหมายแล้วรลบหลบซ่อนๆอยู่ในนั้นที่สุยก็ถูกจ้าทน้ที่ตารวจจับไปก็ยอมให้เขาจับไปลงโทษเขาจับไปลงโทษได้ความทุกข์ความกังวลมันก็จะหมดไปคุณปณรัตครับเพื่อนของโยมป่วยและคิดมากโยมแนะนําว่าให้อยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจแต่เพื่อนทําไม่ได้ยังไงก็คิดวนเวียนกังวกลกราบระอาจารย์ช่วยชี้แนะควรทําอย่างไรให้ไม่คิดไม่กลัวครับ เราให้เปลี่ยนจากการดูเราหายใจมาท่องพุทโธดูก็ได้มันท่องบทสั้นๆเช่นพุทธังสันนังกชามิธรรมังสันนังกชามิหรืออิติปิโสสวดบ่อยๆสวนมากๆสวดไปใจก่อนใจจะหายทุกข์ฝันถึงบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงเรามีความจำนึกนึกคิดถึงเขาเนี่แหละความจําที่มีใน ใ, นใจเรามันโผล่ขึ้นมา มันก็บอว่ามันก็กลายเป็นความฝันในขณะที่เราหลับไปภาวนาแล้วร่างกายท่อนบนเหมือนจะแตกสลายไปรู้สึกกลัวจึงกลับมารู้สึกตัวที่ผิวกายทําถูกหรือเปล่าครับเพชนะต้องไม่ไม่ต้องทําอะไรต้องภาวนาไปไเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลกับร่างกายมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะแตกสลายในขณะที่เรานั่งสมาธิมันเป็นอุปท า, านความคิดปรุงแต่งว่าเราหลอกเราเองด้านนี้ ให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการภาวนาไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปกินเจสําคัญไหมครับไม่สําคัญเลยเอ่าวัวขานมันก็กินเจเหมือนกันอ่ะถ้าสําคัญในวัวความนก็ต้องเป็นเป็นสัตว์ที่สําคัญเลยนะไม่ได้บุญนะการกินเจไม่ได้บุญแต่อย่างใดการไม่ฆ่าสัตว์เป็นการได้บุญ การไปกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้เขาตายนี่เราไม่บาปไม่ไม่เป็นบาปกินเนื้อสัตว์เขาก็ไม่บาปแต่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญเปนเป็นเหมือ น, น, น ก, กับกินผักดีๆนี่เองมีคนถามต่อเรื่องกินเจครับพระอาจารย์บอกว่าละเว้นเนื้อสัตว์ได้บุญไหมเพราะว่าได้ยินมาว่าเจตนาเป็นตัวกรรมครับมันมันคนละเรื่องกันนะ เจตนามันเป็นตัวกรรมแต่ต้องมีการกระทําที่เป็นกรรมมันถึงจะเป็นกรรมแต่การกินนี่ล้วนไม่เป็นกรรมที่เป็นมันไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดื อ, อดร้อนเข้าใจไหมการกินจรนิงเขไม่ได้ไปทําให้ใครไม่ไม่เสียหายไม่เดื อ, อดร้อนมันเป็นเรื่องของการกิน ค, ครับุณซีบครับเรานําเงินให้คุณแม่ซื้อของเพื่อทําอาหารบริจาคทําทานช่วงทอดกระถิน แต่เราไม่ได้ช่วยเหลือการทําอาหารเลยโดยให้คุณแม่ทําเองทั้งหมดคุณแม่ทําด้วยความตั้งใจแต่เราออกเงินให้อย่างเดียวคุณแม่ได้บุญจากการทําฐานไหมครับคุณแม่ก็ได้บุญจากการที่ต้องต้องทำอาหารเรียก บ, บุญที่เกิดจากการรับช่วยเหลือพูดเรื่ บ, บุญที่เกิดจากการมีทำความเพียรในการปรมหยัดหนักเพียรยส่วนเราเราก็ได้บุญจากการเสียสละทรัพย์เงินทองไปบุญเพืประยานกัน มีลูกเป็นเด็กพิเศษครบศี่ห้แต่ตายไปแล้วนะครับตายแล้วชาติน่าจะเกิดเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะมันก็อยู่ที่จิตของเขาว่าเป็นบุญมีบุญน้อหรือมีบาปมากของกันเวลาที่เขาตายไปถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาไปเกิดในอบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะไปพาไปเกิดในสวรรค์ถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ คุณซีครับการทําจิตใจมีสติสมาธิมากขึ้นควรจะกําหนดปฏิบัติควบคุมจิตและความคิดอย่างไรให้จิตไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะบางครั้งมีความคิดผุดขึ้นมาให้นึกถึงตลอดควรจะต้องกําหนดอย่างไรให้นิ่งสงบครับก็ที่พูดเนี่ยให้บริกรรมคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปภในใจทั้งวันมันจะควบคุมความคิดได้ลองทําี่เลยพุโทโธเป็นดำยันตาขึ้นมาเลย พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าไปกวนก็พุโทโธรัประทานอาหารก็พุโทโธเดินทางไปทางานก็พุโทโธใจก็จะว่างจากความคิดปุงแต่การเป็นมนุษย์มีแต่ทุกข์จะทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ปล่อยวางก็ยากครับเพราะว่ามีความทุกข์อยู่กับลูกครับความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเรา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ลดความอยากเรายังอยู่กับสิ่งต่างๆได้แต่เราอยากไป็อยากให้เขาเป็นอย่างนั un, ้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นจะตายก็าปลยให้เขาเป็นเขาตายไปเราก็ไม่ทุกข์ก็แค่นี้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาไม่ไม่ตายอยากให้เขาเป็นอยากให้เขาดีพอเขาไม่เป็นพอเขาไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องทําใจเฉยๆทําใจเป็นกลางอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ให้ก็เป็นไปตามความเป็นจริงของเขา พระสงฆ์วัดยานุ่งห่มจีวรสีอะไรครับอาจารย์ก็มีทั้งสองสีเพราะว่าเป็นวัดที่มีเป็นรูปผสมอะวัดญานี้วัดบวรเป็นผู้มาสร้างแต่มีเจตนาอยากให้เป็นวัดวัดป่าวัดปฏิบัตินี่มันก็เลยมีพระตรงที่ส่งมาจากวัดบวรเขา่าใส่สีของวัดบวรก็สีน้ําเหลืองเขาเรียกสีราชทานย์ยังไสีราชราชชินยมสีราชชินยง ส่วนภาพที่มาที่สนใจกับการปฏิบัติก็ยุดสีสีกลักสีสีน้ำตาลตามแนวของภาพป่าสายปฏิบัติทางนั้นก็ไม่ได้บังคับกันน้า แ, แต่อธิยาศัยจะไปสายวัดป่าก็ได้ไปสายวัดบรวันก็ได้ยกเว้นเวลาทำทาสังกกรรมเนยเช่นเวลามีกระถินงานพิธีอะไรก็จะให้ใส่สีลาา ช, าชนิมสีของวัดบว สีเงียงก็ทำใต้สองชุดมีงานไปาไหนต้านวัดานตั้งงานวัดบมก็ต้องไปสีนาชินนีย่สีเหลียงเคยเห็นพระอาจารย์ใส่แค่ครั้งเดียวเองครับอ่าพระราชทานพันยศเมืสักครั้งเราใส่ค kind of like ร, en, รับถ้าเป็นพระราชพิธีนี้พราต้องใส่สีนี้กันถ้าทป็ ถ้าเราทําอะไรกับแม่ตอนเรามีลูกนี่ลูกเราจะเจออย่างนั้นด้วยไหมครับอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดเพราะเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่มันมันมันไม่ต้องมันมันต้องมียานะถึงอย่างทราบได้แต่โดยทั่วไปว่าทําอะไรกับใครก็มักจะโดนเขากลับมาทําเราเหมือนกันถ้าเราเป็นแม่เป็นแม่ถ้าเราเป็นลูกแม่เขาลบแม่ฝาแฝดลูกของเราเขาก็จะไม่เคารพเรา คแคทครับการที่เราคิดว่าเราไม่กลัวตายแต่ยังกลัวผีอย่างนี้ถือว่ายังกลัวตายใช่ไหมครับนั่นน่ะสิเราต้องถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรผีมันทำอะไรกับเราทาให้เราตายได้หรือเปล่าเคยสามารถนั่งสมาธิจน จ, นจิต ร, รวมลงได้ง่ายมีหลวงปู่บุญยริ์นําภาวนาแต่หลังจากมีปัญหาหนักจิตไม่รวมลงมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วครับอาจารย์ เพราะสตินี้แหะตัวที่จะทาให้จิตรวงและไม่รวงถ้าเราไม่พยายามฝึกสติเรื่อยๆจิตก็จะเสื่อมได้ในอนัตตาสมาธิจิตก็จะไม่รวงเพราะสติไม่มีกําลังพอที่จะทําให้จิตรวงเห็นแล้วน่าพยายามจเจริญสติให้มากๆก่อที่เราจะมานั่งสมาธิ เราพาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมแต่คุณแม่ไม่อยากไปจองสถานที่แล้วขอร้องให้คุณแม่ไปแต่ปฏิบัติธรรมร่วมกับเราโดยที่คุณแม่ไม่ตั้งใจทาหรือไม่อยากทาเลยเรากับคุณแม่ไม่ได้บุญจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ร่วมกันไหมครับก็อยู่ที่ว่ามีความศุกหรือไม่ถ้ามีความศึกก็ได้บุญถ้าไม่มีความสึกก็ไม่ได้บุญคาว่าบุญก็คือความสุใจ นหนุ่มน้อยครับทำไมสมัยนี้คนเก่งแต่ทำไมขาดความดีเพราะว่าอะไรครับผมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยครับคือคนเก่งนี่หมายถึงคนที่สามารถมีความสามารถทำอะไรได้เันวิ่งเร็ววิ่งเร็วได้เหรียญทองแล้วก็ว่าเขาเก่งเก่งในถัดการวิ่งเพราะเขาทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกการวิ่งแต่เขาไม่มีเวลามาฝึกเรื่องของการเป็นคนดี เพราะว่าไม่มีใครสอนเขาไม่มีสังคมทุกวันที่ไม่ได้ยมสอนให้คนเป็นคนดีกันก็เลยเขาก็เลยไม่ดีเพราะเขาไม่มีใครสอนไม่มีใครฝึกให้เขาเขาฝึกแต่การวิ่งอย่างเดียวเขาก็เก่งในการวิ่งในเรื่องของความดีเขากับไม่ไม่ไม่ดีเพราะไม่มีใครสอนเขานั่นเองไม่มีศาสนาสอนอย่างงไทยตอนนี้ก็คนเก่งเยอะขึ้นแต่คนดีจะน้อยลงเพราะเดี๋ยนี้ทางโรงเรียนก็ไม่สอนเรื่องศีลธรรมแล้นะ การมีศีลธรรมในอ่เป็นการสอนให้คนเป็นคนดีให้คนคนซื่อสัตย์สุดเด็ดไม่ทําร้ายผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่สอนให้เขาก็จะไม่มีใครรู้ว่าการเป็นคนดีทําอย่างไรเขาก็จะมุ่งไปแต่การฝึกตัวเองให้เก่งอย่างเดียวอย่างเวลาถ้าเขาก็เกิดอารมณ์อยากจะทําบาปขึ้นมาเขาก็า จ, จะไม่มีอะไรมา ย, ยับยั้งเขาได้อยากจะทําร้ายใครเขาอาจจะทํำร้ายได้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมา เขากาจจะไม่เป็นคนดีแต่เป็นคนเก่งมีวิธีใดบ้างที่ทำให้เราไม่คิดมากครับพุโทโธไงท่องพุโทโธไปเรื่อยๆครเรามีเจตนาดีตั้งใจทำความดีดูแลช่วยเหลือสิ่งดีๆแต่บางครั้งเราก็มีอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย ทำให้คนรอบข้างไม่สบายใจทุกใจเครียดเป็นทุกข์เพราเรามากอย่างนี้ความดีที่เราทําจะลบล้างความชั่วเราได้ไหมครับไม่มันมเป็นคนละคนคือมันคนละคนละกระทงกันความดีก็เป็นเรื่องของความดีความชั่วก็เป็นเรื่องของความเชื่อมันไม่มาลบล้างกันไปวัดทุกวันถวายอาหารพระฟังเทศกรวดน้ําแต่รักษาศีลห้าไม่ได้จะได้บุญไหมครับ ก็ได้ดบุญส่วนที่เราทําไงทําบุญทําทานเราก็ได้บุญส่วนนั้นทําเทศทำธรรมเราก็ได้บุญส่วนนั้นการรักษาศีลห้าไม่ได้เราก็จะไม่ได้บุญจากการจากการรักษาศีลห้าคุณสมพรครับการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไม่ได้หลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับใครอย่างนี้ถือเป็นการมราคะด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เป็นมันก็เป็นการมราคะเอง จิตเพ่งอยู่ที่อารมณ์การราคะสักพักเหมือนฟ้าผ่ากลางอกอารมณ์การราคะลดลงจะต้องปฏิบัติยังไงต่อครับครับดูไปเรืเร่อยๆทาําให้มันหายไปให้หมดนะแต่มันไม่มันไม่น่าจะลดลงเพราะเห็นฟ้าผ่านนะมันมน่าจะเห็นลดลงเพราะมันเห็นอวัยวะที่ไม่สวยงามมากกว่าเห็นน่างกาที่ไม่สวยงามอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษช่วงช่วงช่วงเรื่องเดียวขณะเดียวกันเล ก็ต้องสังเกต ด, ดูต่อไปถ้าเกิดไปเห็นหน้ากายที่สวยๆงามงามหน้าดูน่าชมยังมีกัญชาบาราคาหรือไม่คุณวชิรวิทย์ครับคนที่จะมองเห็นภาพสอบหรืออสุภาษได้จะต้องเคยมีอุเบกขาหรือนั่งสมาธิมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับคือถ้ามีอุเบกขามันก็จะสามารถทำให้เราเพ่งในวสุภาษได้นานขึ้น แล้วถ้าเราไม่มีอุมเบกขานี้ใจเราจะมีกิเลสที่จะไม่ต้องการให้เราดูภาพอสุภะแทนที่จะไปดูอสุภะมันก็จะให้เราไปดูไพรบอยแทนเนี่ยภาพของไพรบอยเน่ยงการมีสามาที่นี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิเราไม่สามารถที่จะบังคับใจให้ไปดูในสิ่งที่กิเลสไม่อยากดูได้เช่นความตายอสุภะหรือปฏิกูลของอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่กิเลสไม่ชอบมอง าการที่เราจะไปอมงองสีเน่านี้ได้เราต้องทำใจให้สงบให้ม่รู้เบกขาก่อนแรงต้านทางมันก็จะไม่มีแล้วเราสามารถเปิดดูหนังสือสุภาษได้แทนที่จะไปเปิดเ a y บิลแล้วก็มาเปิดดูสุภาษแทนได้ปฏิบัติธรรมครับแต่อดไม่ได้ที่จะไปคอมเมนต์นะักการเมืองเราผิดสีไหมครับถ้าเราไม่ไปพูดด้วยวาจาก็ยังไม่ผิด เราก็อย่าไปพูดด้วยวาจาเราก็อยู่เฉยๆคิดอยู่ในใจถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ใช้สติยับยั้งมันเนาอย่าไปคิดให้เสียเวลาเลยเรื่องเขาตัวใครตัวมันกรรมใครกครรมมันใครทํากรรมมันใดวัดก็ต้องรับผูดรับผลของกรรมนั้นถอนใจด้วยปัญญาแบบนี้ต่อไปเราก็จะไม่คิดให้เสียเวลาคุณสมพรครับ การซื้อข้าวของที่ไม่ใช่ความจำเป็นถือเป็นการมราคะาเป็นการเสพการอย่างหนึ่งการเสพการไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์แต่เสพอะไรก็ถือเป็นการเสพการเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องไหมครับคือคำว่าการมราค้าเป็นศัพท์เฉพาะในเรื่องของการวมเพศกันเรื่องการมาราคะแต่ถ้าทําการเสพการทั่วไปเราเรียกวากามาฉันทะหรือการมาตัณหา อันนี้หมายถึงความอยากจะเสพลูกเสียงกินโล้ดโดยทั่วไปอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่ถือว่าเป็นเรื่องของกามาตัญหาหรือการมฉันทะแต่ที่เราพูดการมาลาคานี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความอยากเฉพาะการอยากจะร่วมเพศจะพูด ถ้าเราเห็นบางคนคิดคดโกงเงินส่วนรวมเราเข้าไปขัดขวางเราเราจะมีบาปกรรมต่อกันไหมครับอาจจะมีเวรต่อกันเพราะย่อเกลียดเราแน่นอนก็เหมือนเทวทัตให้เกลียดพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้ า, จาไปขัดขวางเทวทัตที่จะไปหลอกซื้อฐานเงินมาด้วยราคาถูกๆพระเจ้าบอกนี่เป็นฐานเงินราคาต้องสูงกว่านี้นี่ยายคนที่มีถาเงินแทบไม่เยอะขายให้กับเทวทัตก็เลยไม่ขายให้ เพาว่าถูกหล อ, อเพราะเทวทัตถูกขัดขวางเทวทัตก็โกรธพระเจ้ามาตั้งแต่บันนังนอมเงินยอมกรรมกันข้ามภพข้ามชายมาตลอดคุณสลาวุธครับพระอราหันต์เวลานอนหลับยังมีความฝันอยู่หรือไม่ครับองคหลวงตามหาบัวเคยเทศอยู่ว่าพระอราหันต์ยังมีความฝันได้เพราะร่างกายเป็นสมมุติจะไม่ให้บันดีดิ้นไปตามสมมุติจะดิ้นไปทางไหนจิตคนละอย่างกันหลวงตาบอกว่าพระอราหันต์ยังมีความฝันได้พระอรหันต์ จริงๆท่านยังมีความฝันไหมครับอ่าก็ท่านพูดเนาะมาถามอะไรเราเลอุอากาสะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมครับคงจะเป็นคําย่อของของคําบาลีแต่ละคำํำเพื่อให้จดจําได้งา่ายแต่เราไม่รู้ว่าเขายอ่อมาจากคําไหนบ้างการรับดูดวงเปิดไพ่แต่ไม่ได้เป็นอาชีพแต่รับค่าดูบ้าง เป็นทางเสื่อมขัดขวางทางแห่งความเป็นพระโสดาบันไหมครับมันก็เป็นเรื่องของความหลงที่เราไปดูดวงกันเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงถ้าอยากจะเป็นโสดาบานันต้องดูความจริงหรือว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตายอันนี้นะเป็นความจริงอยากจะเป็นโสดาบันต้องกล้ามองความจริงแล้วกันไม่ยึดไม่ติดกับความความจริงปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสภาพของความจริงไม่ขัดขืนความจริง เวลาฟังพระสวดหรือนั่งสมาธิบ่อยครั้งจะมีอาการง่วงครับก็เป็นธรรมดาเพราะการสวดมนุ์นี่เป็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่สงบไงแต่ถ้าเราไม่มีสติพอยนี้พอใจเราเริ่สมสงบมันก็จะหลับแทนมันก็จะไม่ง่วนอนเพราะว่าบทสวดมันมันไม่มันไม่เหมือนมันมนมนมนมนกระตุ้นอารมณ์เหมือนกับฟังเพลงฟังเพลง ทำเพลงแรปความเพลงอะไรฟังแล้วมันอยกกระตุ้นอารมณ์นะกขึ้นมาจะฟังบทสนวัมนี้นเป็นจะทําให้กอารมณ์ต่างๆสงบสยบตัวลงจะทําให้ใจจะสงบถ้านใจไม่มีสมาธิไม่มีสติใจก็จะเข้าสู่พลังหลับทำให้เข้าสู่พวังของสมาธิคุณสุนีครับต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงจะไปนิพพานได้ครับถ้าขั้นการสูงสุขเนี่ย ต้องละสังโยชนให้ได้หมดทั้งสิบข้อลองไปอ่านสังโยชน์อย่สิบข้อะละได้มั้ยทัสิบข้อถ้าหัวหน้าชวนไปสังสรรค์ดื่มสุราแต่เราไม่อยากไปแต่กลับโมโหและกลายเป็นไม่ชอบหน้าเราเราจะทําอย่างไรครับเราห้ามก็ไม่ได้เราเพราะเป็นเรื่องของเขาก็จะโกรธเราแล้วไม่โกรธเรานี่เป็นเรื่องของใจของเขาอื คุณเที่ยวไปเรื่อยครับหรือสีที่ติดชาหรือสมาธิหรือเล่นลิศเพราะไม่ได้พิจารณาทางปัญญาว่าชาหรือสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่แล้วไม่ใช่เป็นทางสู่การหนุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรหนุดพ้นได้แบบเป็นชั่วครังชั่วคราวนั่นเองลูกป่วยเป็นซึมเศร้าจะทําอย่างไรดีเจ้าคะถ้าทําอะไรได้ก็ทําไป ไม่รวยกันจะให้ทําเราไม่มีลูกคุณสุรพรครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเหมาะกับกรรมฐานแบบไหนครับอ๋อโดยปกติก็พุโทโธนี่เหมาะกับทุกคนเวลาเริ่มต้นการฝึกสติเวลาพุทพุทโธหรือ ว, ว่าในการการวฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้เป็นการฝึกสติในเริ่มต้ น, ตนแต่กรรมฐานนี่มีหลายอย่าง เพราะว่ากรรมฐานนี่เป็นเหมือนยารักษาโรคใจเช่นถ้าเราเกิดวเวลาเกิดความโกรธขึ้นดาเนี่พุทโธอาจจะทําให้ความโกรธหายไปไม่ได้ท่านก็บอกให้มาใช้เมตตาภาวนาะใช้ความเมตตาเป็นกรรมฐานแทนคือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมใครพอเราให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมความโกรธที่เกิดขึ้นก็จะหายไปอย่างนี้มันเป็นการใช้กรรมฐานแบบเฉพาะกิจ ไว้ ร, รับดับอารมณ์ที่อามณ์แปรปูนไปเวลาเกิดการเวลาฆาตเกิดกา ร, กการอยากจะเสพกรมก็ให้ใช้อสุภะมันจะรับได้ขจงที่ใช้พุทโธมันมันไม่อยู่อ่ะมันกําลังไม่พอแต่ถ้าจิตไม่มีอารมณ์ต่างๆจิตเป็นปกติก็ใช้พุทโธไปนั่นใช้การดูร่างกายไปอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายไปเนือ ด, ดูลมหายใจถ้านั่งสมาธิก็ดูลมหายใจก็ออก หากจิตของเราอยากให้คนคดโกงรับกรรมจิตเราเป็นอกุศลด้วยไหมครับมันเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นความอยากของเราซึ่งเวลาอยากนั่นไม่เกิดขึ้นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากปล่อยเข้าไปถึงเวลาการกรมของเขาจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนวิบากของเขา ถ้าดิฉันส่งเงินไปให้พระท่านจ้างช่างเพื่อสร้างที่อยู่เวลาไปปเพื่อไปไปเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วถ้าท่านมาช่วยสร้างเราบาปไหมครับติดนี้ส่งไหมครับไม่บาปแล้วถ้าท่านอยากจะสร้างก็เป็นเรื่องของท่านท่านก็ถือว่าท่านร่วมมือด้วยช่วยสร้างให้มันเสร็จการระลึกพุโทโธสามารถทําได้ทุกเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเป็นกรรมฐานที่เหมาะ เมืองตอนเพื่อเพื่อการเจริำสติที่ต่อเนื่องใช้การบรรทั น, น, นอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เพราะเรามีการเคลื่อ น, นไหวตลอดเวลามีการกระทำอะไรต่อให้มีสติอยู่ของการกระทำของการเคลื่อนไหวของร่างกายไปใจเราก็จะไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเล ม, มีคนคอมเมนต์สองคนครับบอกว่าฟังพระอาจารย์วันนี้รู้สึกความรู้ที่มีอยู่เป็นแค่เ น, นสซัลี่มากเลยต้องฝึกต้องปฏิบัติอีกมากนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าฟังเทศบาลนี้แล้วนั่งสมาธิไปด้วยรู้สึกจิตสงบเร็วกว่าปกตินะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าตื่นตีห้าสวดมนต์นั่งสมาธิจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่รู้สึกมีความสุขอยากจะทําทุกวันแบบนี้ถูกหรือผิดครับถูกแล้วขอให้ทําตา ม, ามา เ, เป็นความอย่ากนั้นเถอะเป็นเป็นความอยากที่ดีจะทําให้เราเก่งขึ้นชํานาญขึ้นแล้วจะนั่งสงบได้มากขึ้น คุณแพทครับการที่เราทุกเพราะคําพูดและการกระทําของคนอื่นเพราะความอยากให้เขาพูดและทําดีกับเราใช่ไหมครับถ้าอย่างไรจะวางใจให้เฉยได้เจอทีไรทุกทุกครั้งทำอย่างไรดีครับทั้งที่นั่งสมาธิครับก็อย่าไปรยาให้เขาพูดปล่อยเขาก็อยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไประยาให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากจะฟังพอเขาไม่พูดในสิ่งที่เราอยากจะฟังเราก็ทุกข์ขึ้นมาละความอยากของเราวใจของเราก็จะไม่ทุกข์ ทำไมประเทศไทยไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีครับทำไมบวชได้เป็นแม่ชีเท่านั้นครับคือสายเทลวาทนี่เขาถือว่าแม่ชีภิกษุณีนี่มันหมดไปแล้วไม่สามารถที่จะมามาบวชเป็นภิกษุณีได้แต่ในสายของมหายาณนี่เขาถือว่าของเ้ายังไม่หมดยังสามารถบวชภิกษุณีได้ถ้าใครอยากจะเป็นภิกษุณีก็ไปบวชของสายมหายานได้ ฐาาฮ่ายาญก็ต้องไปที่เบตไปเนปาลไปประเทศที่เขามีบาฮ่ายาญคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับถ้าเราถือศีลแปดอยู่สามารถเปิด youtube ดูคลิปครูบาอาจารย์เทศสารสอนได้ไหมครับถือหรือถือว่ า, าไม่สมควรไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวกันเรื่องของศีลแปก็เรื่องของศี 8, แลแปดเรื่องของการดู youtube ดูคลิปนี้จนถึงศีลแปดศีลหน้าก็ดูได้ไม่เสียหายตรงไห น, น ถ้าเป็นธรรมะแ ต, แต่ดูอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ารมทง <c oughs> ไม่ได้มอสสวดบนเมนเต่างๆไม่ได้การการบ้านการเมืองก็ไม่ควรเพราะมันจะทำให้จิตฟุ้งซ่านครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสกราบพระอาจารย์วันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ783ในยู744ในคับ7ในติกตอก637 รวมมีเพื่อนฟังธรรมอยู่ด้วยกันสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนนะครับวันนี้พระอาจารย์ตอบไปเจ็ดสิบคำถามครับผมใช่ๆคำถามเพราะวันนี้พูดยาวหน่อ ย, ยคุณธรรมะยาวหน่อ ย, ยครับก็ดีที่ได้มีโอกาสได้มาให้ความรู้กับท่านที่สนใจหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากไม่มาก็น้อยนเพราะที่จะได้นำเอาอไปพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ความทุกขน้อยลงให้มีความสุขได้น จิตใจเื่อบากขึ้นไปตามลาดับสำหรับการชนละธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจนละว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนิพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิงย่งขึ้นไปเธอสาธุกขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าโอกาสหน้า ไม่มีเหตุการณ์ช่องวัางใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเจ ร, อริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ